วัตกีแปลว่าช่างไม้วัตตะคันทกะหมวดแห่งข้อวัดปฏิบัติวัตเพศเสียธรรมเนียมห้าวัตถุองค์ประกอบของผู้จะอุปสมบทที่สำคัญมีห้าอย่างคือเป็นคนผู้ชาย มีอายุครบ20ปีไม่เป็นมนุษย์วิบัติเช่นถูกตอนหรือกระเทยไม่เคยทำอนันตริยกรรมและไม่เคยต้องปะราชิกหรือไม่เคยเข้ารีดเดียรถถ์ถีคือนักบวชนอกศาสนาซึ่งหากเคยเป็นนักบวชนอกศาสนามาก่อนจะมีพิธีปฏิบัติต่างออกไปจึงจะบวชได้อาวัตถุวิบัติคือบวชครองโดยวัตถุ ห้าวัตถุสมบัติคือสมบูรณ์โดยวัตถุวันบูรณามีดีถีวันตามจันทรกติมีพระจันทร์เต็มดวงวัสสาวาสิกาภาจำนำพรรษาซึ่งทายกนิยมถวายพระภิกษุผู้จำพรรษาครบแล้ว วัสูปนาญิกะคันธกะหมวดแห่งธรรมเนียมของภิกษุผู้เข้าจำพรรษามาในคำพีมหาวัตวิกับทำให้เป็นสองเจ้าของหรือฝากหรือกล่าวคำแสดงความหมายให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง วิกัลปิดตาจีวรจีวรที่ได้ทำให้เป็นสองเจ้าของแล้ววิกาลผิดแปลกไปจากปกติภาพวินยัตการขอที่ผิดพระวินยัยการขอสิ่งของต่อคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา ในเมื่อไม่มีสมัยไม่มีปัจจัยวิตกจริตตนมีปกตินึกพลานวินัยมุกเป็นชื่อของหนังสือนี้ซึ่งว่าเดียวแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติพระวินยัยให้สำเร็จประโยชน์วินิตาวัตถุ เรื่องที่พระพุทธองค์ทรงชี้ขาดหรือทรงวินิจฉัยเรื่องสำหรับเทียบเคียงตัดสินอาบัติในคำพีวิพังวิปฏิสารความเดือดร้อนความร้อนใจหลังจากการปฏิบัติผิดวิปลาดคลาดเคลื่อนผันแปรกลับกลาย วิพังการจำแนกการแบ่งวิสาสะความคุ้นเคยความสนิทสนมการถือว่าเป็นกันเองวิเหสกกรรมกรรมวาจาที่สงสวนประกาศในเมื่อภิกษุผู้ประพฤติอนาจารยังสงให้ลำบาก วีติกมะการล่วงละเมิดสิกขาบทวุธานะคามินีอาบัติที่ต้องแล้วจะพ้นได้ด้วยการอยู่กรรมวโวหารคือถ้อยคำหรือสำนวนไวพ์คำที่มีรูปต่างกันแต่มีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ว ย, ยาวัจกรผู้ทากิจธุระแทนภิกษุหรือสงฆ์ผู้ทาการขวนขวายแทนภิกษุหรือสงฆ์